Thank you.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 อ่าพูดเพิ่มเติมเวลาพูดว่าอยู่กับปัจจุบันนะหรือได้ยินนะประโยคนี้เนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรที่จริงมันมีความหมายได้หลายง่ายหลายมุมนะความหมายพื้นฐานที่สุดก็คือว่าให้ใจเราเนี่ยจดจ่อยอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําในขณนะนั้น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 เอาไว้ก่อนหลายคนทํางานแล้วมีความเครียดนะไม่ใช่เพียงเพราะว่าใจลอยไปโน่ลอยไปนี่นะใจลอยไปโน่ลอยไปนี่ก็อาจจะไม่ทำให้เครียดนะอาจจะเพลินในซ้ําเพราะว่าอาจจะกําลังฝันกลางวันจะข้อเสียคือทําทงานไม่ได้เป็นเรื่องเป็นรา่าเท่าไหร่แต่นั่นก็ยังไม่ถึงไม่ทันถึงกระทำให้คนเครียดเครียดก็เพราะอะไรเพราะไปคิดว่าหรือพะวงว่าเมื่อไหรจะเสร็จเมื่อไหรจะเสร็จนะ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 สิ่งที่สูญเสียไปเนี่ยนาแสงว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะหรือทุกครั้งที่เราพะวงห่วงกังวลกับนั่นกับนี่เนี่ยนาแสงว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าเราไม่หลไปอดีตเราก็ใจก็ไปปักตึงอยู่อนาคตนั้นถ้าพิจารา ด, ดูดีนะการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันมีความหมายที่หลแง่แล้วก็ลึกซึ้งนะซึ่งถ้าเราทำได้เนี่ยมันก็ทำให้เรา